ขออนุญาตพอาจารย์นั่งบนต๊ะนี้เลยนะครับท่านต้องอนุญาตผมก่อนนะฮะต่อไปสิสาธุนะฮะแสดงว่าห่างวัดสั้งหมดเนี่ยบ้านไม่ได้อยู่ใต้วัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของเรานะฮะผมล้อเล่นนะอยคิดมากนะฮะอย่าคิดมากนะครับก็ดีนะทำให้อรมบรรยากาศสบายๆดีนะครับ อ่ะมาเข้าเรื่องหนังสือของพระอาจารย์นะฮะผมก็อ่านยังไม่จบอ่านยังไม่จบแล้วก็เออได้พยายามอ่านนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะฮะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเขียนเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ใช่วิชาการนะท่านเขียนแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านซึ่งคนสติปัญญาน้อยอย่างผมเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจถ้าวิชาการมากๆผมก็จะงงๆนะฮะแต่จะขอนาัสการ าถามพระอาจารย์อย่างนี้ครับว่ า, าพระอาจารย์มองอกเรื่องของสติเอาเอาเอาเป็นว่าเอาสติก่อนกันละกันนะเราอาจจะพูดกันอยู่เรื่อยๆไอ้นี่สงสัยเสียสติมั้ยไอ้นี่สติไม่ดีสติไม่สมประกอบสติปัญญาอะไรเงี้ยเราจะใช้กันเป็นประจำแต่ความหมายของสติของพระอาจารย์กับความหมายของพวกเราที่พูดพูดกันเป็นประจำทุกวัน เหมือนกันไหมในหนะังสือเล่มนะี้ครับผ้าจานท์จริงๆจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะแต่ว่าสติเวลาที่เราพูดกันโดยทั่วๆไปเนี่ยเรามักจะหมายถึงคนที่เขาเขาไม่ไม่หลงหรือว่าคนที่เขาไม่สลบที่นคนที่ฟื้นจากสลกก็ถ้าใครที่สลก็ว่ายังไม่ได้สติอหรือพอตื่นจากสลกสลายก็บอกว่าได้สติหรือว่าคนที่บ้าเนี่ยก็คือคนที่ ไม่มีสติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับคําว่าสติในพุทธศาสนาที่แปลว่าความระลึกได้<ฆ>แล้วก็ลงไปถึงความรู้ตัว<ฆ>สติลระลึกได้กความรู้ตัวเนี่ยมันมันเป็นฝาแฝดกันแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสติในความหมายที่ทางพุทธศาสนาใช้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับสติที่เราพูดกันแต่ว่าสติในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความความละเอียรมากกว่า หมายความว่าคนที่อย่างคนทั่วไปที่เดินเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเขาไม่บ้าเขาไม่ไม่สลบสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในความกระเจี๊ยบเขามติแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใจเขาลอยเขากําลังตไปด้วยความโปรธเขากําลังกําลังฟุ้งซ่านเดินอยู่เนี่ยแต่ว่าใจเขาลอยแบบไม่รู้อย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีสติในแง่พุทธศาสนาครับถึงแม้ว่าดูจากภายนอกเนี่ยเขาดูเหมือนคนที่ มีสติสตังดีใช่ไหมในแง่นี้ก็หมายว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จ ะ, ะไม่มีสติวันนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วก็บ่อยบ่อยครั้งในในแต่ละวันเสติในความหมายพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยจิตใจก็จะโปร่งร่องเบาหรือไม่ไม่เผลอหลุดเข้าไปในอารมณ์มนะไม่เผลอปล่อยใจลอยอยู่ในความฟุ้งซ่าน แพะนั่นก็จะเป็นคนที่มีมีความโปร่งเบามีความช่มชื่เนเบิดบานครับซึ่งเราก็พบว่าคนในปัจจุบันเนี่ยนะเครียดนะทำงานก็เครียดเดินทางก็เครียดรถติดก็เครียดในสภาวะที่เก็จมอยู่ในในอารมณ์เนี่ยหรือว่าไปคิดมองข้างหน้าลราตายแล้วฉันะจะไปสายหรือเปล่าเนี่ย ม, มีความกังวล อย่างนี้เราก็เรียกว่าเขาไม่มีสติค่ะไม่สตินนพุทธศาสนาะค่อนข้านจะละเอียดกว่าที่เราเข้าใจอืมแบบสติแบบชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งครับผมผมจําได้นะฮะว่าคําว่าสติเนี่ยเวลาพูดถึงเราจะพูดว่าสติสัมปชัญญะเอ้ยแกทําอะไรให้มันมีสติสัมปชัญญะหน่อยได้ไหมอันนี้มันมันคืออะไรครับรตร ง, งนี้ก็เริ่มจนะไกลละเพราะว่าทําอะไรแบบนหลงลืมๆจะมาเช่นวางของแล้วก็ลืมว่า คุณแจไว้ที่ไหนหรือว่าล้างจานแล้วก็แต่ว่าวางวางช้อนวางจานไม่เป็นที่ตรงนั้นเนี่ยอทําอะไรเนี่ยแบบลุ่ลงลื่นลืมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่ว่าใจลอยใจฟุง้งซ่านนะตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าไม่มีสติในในในในพุทธศาสนาละมันจะมันจะค่้นท้างจะละเอียดขึ้นมาหน่อยมันมีวิธีฝึกได้ไหมครัคือผมเข้าใจว่าหลายท่านก็คงอยากจะมีสติอยู่กับตัวนะฮะ มีสติกับสตังค์ด้วยยิ่งดีนะครับคู่กันไปมีแต่สติสตางค์ไม่มีนี่ก็เสียดืวยกันนะฮะแต่ว่าทุกคนอยากจะมีสติแต่บางทีมันมันเผลอมันเผลอไปตอนนี้มีฝึกที่จะให้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่เผล่เนี่ยมีไหมฮะอาจารย์เอามีคือเราอาจจะเริ่มจากชีวิตประจําวันก็ได้คือโดยปกติคนเราเนี่ยมักจะปล่อยใจลอยโดยการตั้งใจนะคือห ม, มายคามก็ตั้งใจ แตาทำไปทำไปเป็นนิสัยมันก็เลยใจลอยยุคนี้อย่างเช่เวลากินข้าวเนี่ยเราชอบจะหาเรื่องคิดใช่ไหมเรากินข้าวเสร็จเราก็หาเรื่องคิดหรือเราก็ทําอย่างอื่นไปด้วยเช่นอ่านหนังสือหรือว่าพูดคุยกับคนหรือว่าคิดเรื่องงานเรื่องการเวลาอาบน้ำก็เหมือนกันเวลาถูฟันก็เหมือนกันคือเวลาเราทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าต้องหาเรื่องคิดไปด้วยเพื่อจะเรียกว่าเป็นการใช้เวลาให้มีประโยชน์ก็ได้หรือว่าเป็นการใช้เวลาคุ้มค่า ทูอินวันใช่หมหรือทรีอินวันก็มีเช่นอล้างจานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็อาจจะฟังเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยนะออันนี้เนี่ยการใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีสติน้อยลงแล้วก็ฟุ้งซ่านง่ายขึ้นถึงเวลาเนี่ยนอนก็นอนไม่หลับอยากจะหยุดความคิดก็หยุดไม่ได้เพราะเราเราปล่อยความคิดให้มัน มันฟุ้งซ่านไปจเป็นนิสัยคราวนี้วิธีการให้ทำอะไรก็ทำทีละอย่างนะอ่าใช่วิธีการเป็นแบบคือทำอะไรทีละอย่างเช่นกินข้าวก็ก็อยู่กับการกินข้าวเวลามันน้อยเสียใจบางคนยิ่งบางคนเนี่ยตอนนี้อายุห้าสิบปีแล้วเวลามาอยยทาทีสามอย่างไม่รู้ว่าเวลามีน้อยเหมือนเเห็นเวลาไปไปรอคิวซื้ออะไรนะทริปปีอ๋ออะไรนะตัวนันัสองาชั่วโมงนะอาจารย์ ดูข่าวด้วยสั่งลูกิตไ์ไปประมาณนึ้เออไื้อตามาแบบนี้มีเพื่อนเมื่อวานนี่เมื่อเช้าเพื่อก็ซื้อมาถวายเ็บอกเขาซื้อมาถวายเขาไปยินรอมสองชั่วโมงจยบไม่ไม่ได้ไปเข้าคิวคือคือเี้ยคือเราบอกว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมแต่เรามีเวลาไปเข้าคิวซื้อซื้อของพวกนี้สองสามชั่วโมงไปเข้าคิวซื้อกระเป๋าหรือวิตตองหรือซื้อ i p พอตไอแเนี้ยสองสามชั่วโมงใช่คือเราเรามีเวลากับเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วเราบอกว่าฉันไม่มีเวลาที่จะ นั่งสมาธิฉันไม่มีเวลาที่จะไปไปทาเจริญสติแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเราจัดเวลาดีๆเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเยอะกินแค่เรามีสติกับการการกินการอาบน้ำการถูฟันยกตอยา่างง่ายๆนะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคนเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเนะวลาสองชั่วโมง ครอยู่ในห้องน้ำ2ชั่วโมงอาบน้ำถูฟัน3บรหลัหลายเที่ยวใช่ไหมอ๋อครั บ, รบใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยเราอาบน้ำอย่างว่า2ครั้งใช่มคับเราแต่งตัวอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำถูฟันขับถ่ายแต่ง <shot S 1> ตัวบางทีแต่งตัวในห้องน้ำเนี่ยเอาอมาช่วยเดที่คนเมืองเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงต่อวันครับนะทั้งชีวิตเนี่ยเราจะอยู่ในห้องน้าประมาณ7ปีอยู่7ปีอ <ะ S 2> โห<อ>งั้นเพียงแค่ว่าเราเนี่ยมีเจริญสติในห้องน้าเนี่ยนะ อาบน้ำถูฟันเราก็ใจก็อยู่กับการอาบน้ำถูฟันเนี่ยช่วยได้เยอ ะ, ะหรือเวลาเราเราเราเดินทางเนี่ยคนกรุงเทพเวลานี้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราอยู่บนถนนคร้างแ่กี่วันปีหนึ่งเนี่เราอยู่บนถนนประมาณ60สิบวันหกสิบวันคูณยี่สิสี่ชั่วโมงต่อวันโอ้โหนะแทนที่เราจะเอาเวลาไปกับการความเครียด รนะุ่มร้อเราเอาเวลานี้มันเจริญสติตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะที่อยู่บนรถก็เจริญสติได้ใช่โอเคเรา จ, จะใช้เวลาในที่อยูอย่อยู่บนรถอ่านหนังสือบ้างก็ได้หรือว่าอาจจะฟังเพลงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่เราเสียเวลาไปกับความเครียดนะความรุ่มหัวรุ่มใจแต่ถ้าเราใช้เวลาเนี้ยมากับการเจริญสติตามลมหายใจหรือว่าทําอะไรเราไ็อยู่กับสิ่งนั้นเนี้ยนะมัน มันจะช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสติเราจะจะไหวขึ้นสติแปลว่าเรารุดได้เรารุดได้ในที่นี้เนี่ยมันมีความมายสองอย่างเราลึกได้เึื่องเรนอกตัวเช่นเรายึดดึกเรารุดได้ว่าเราวางกระเป๋าเงินไว้ที่ไหนเราเรารุดได้ว่าเรานัดคนเอาไว้นะเรารุดได้ว่าวันเกิดลูกสาววั น, วนที่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นความเราลึกได้เนอกตัวก็แปลว่าสติสติแปลว่าเรารุดได้ แต่วสติที่พุทธศาสนาเนี่คือสติที่เป็นความระลึกได้เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับกายและใจเช่นในขณะที่เรากําลังนั่งนั่งฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวใจลอยแล้วใจลอยไปไปที่บ้านแล้วใจลอยไปที่ทำงานแล้วแล้วก็ระลึกขึ้นได้ว่าใช้พลังนั่งฟังอยู่นะไอความรู้ึกได้เนี่ยคือสติพอเรารู้ลึกได้เสร็จจิตมันก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตก็กลับมาอยู่กับตรงห้องนี้นะอันเนี้ยคือคือคือคือสติในความหมายที่ จะช่วยทำให้เราเนี่ยหลุจากความทุกข์ได้ถ้าเราสึกแฝดนี่อยู่เสมอเราทําแล้วก็ตามเนี่ยกินข้าวอ่านหนังสืฟันใจลอยไม่เป็นไ ร, รแต่ให้ระลึกได้ว่าเผลอไประลึกได้ว่าเผลอไประลึกได้ว่าฉันกำลังกินข้าวอยู่กลับมาไม่ใช่ว่ากินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวใจลอยมันรู้ตัวแค่ลูกชิ้นหายไปไหลายสองสองลูกอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแคลลูกชิ้นของทันไปสองลูกที่จริงอยู่ในท้องเราละแต่เราเราไม่รู้เนี่ยเรารเรากินไปแบบตอนที่เรากินเราเผลอ เราเผลอใจลอยไปแล้วก็เลยไม่รู้ตัว อ, อันนี้เราไม่มีสติแล้วค่ะทํ า, าทไมพระอาจารย์มองว่าสติเนี่ยคึงต้องมาเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วก็อทําไมมองว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยไปพบความสุบใช่ไหมฮะความสงบสันติจริงๆสิ่ ง, งที่เป็นนาไปสู่ความสงบสันติเนี่ยมันก็มี ม, มีมีหลายขนทาง น, นะครับในทางวัตถุศาสนาท่านจะให้ท่านจะ ถ้าพูร้รวมแล้วท่านท่นก็จะพูดอย่างเป็นระบบก็คือมัสมีองแปดมัสมีแปดก็คือมีแปมีแปดตัวใช่ไหมฮะสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาที่เป็นต้นแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องสติมากกนวะ่าเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่เรามักจะมองข้ามแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสติที่จะมาพูดเนี่ยจะเน้นสติในในในกระบวนการที่เรียกว่าสติปัฏฐาน สติปัฏฐานก็คือการเจริญสติหรือการมีสติรู้กายรู้ใจคือถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานเนี่ยมาสติรู้เรื่องอื่นได้มาลึกเรื่องหอื่นนอกตัวได้อย่างที่อาจมาว่าเราลึกได้ว่าวันเกิดวันวันเกิดของลูกสาวาาวนนนจจันที่เท่าไหร่วันพระราสม์ของนายหลวงปัจจุบันวันที่เท่าไหร่เนี่ยนี่เปนอกตัวแต่ว่าสติปัฏฐานนี่จะเป็นสติเกี่ยวกับเรื่องความบรรลุได้เรื่องกายเรื่องใจสติปัฏฐานเนี่ยพุทเจ้าตัสว่าเป็น ทางสายเอ<ะ>ที่จะนําไปสู่ความต้นทุน ก, การก้าวข้ามความโศกความร่ำไรําคันเป็นหนทางสู่โลกุตรธรร ม, มหรือธรรมที่เหนือโลกแล้วก็เป็นหนทางสู่การบรรลุนิพพานของสัตว์ทั้งหลายานิพพานก็คือความสงบเย็นหมายถึงการรู้ทันจิตของตัวเองใจของตัวเองใช่ไหมอาจารย์รู้รู้รู้ทันจิตคือรู้ทันความคิดและ อ, อารมณ์จนกรทั่ง เห็นความจริงเห็นธรรมชาติท <MA ี่แท้จริงของจิตเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของของกายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้เช่นนี้เกิดปัญญาปล่อยวางจิตก็จะหลุดค้นเป็นความสงบเรียว่าสันติอันนี้คือจุดหมายสุดสุดของการ จะเรื่สติปัญหาสติปัญหานะฮะออย่างตอนนี้เนี่ยอาจากฮะหลายท่านเนี่ยยญาติพี่น้องบ้านนานทั่วมบางคนก็เครียดมากที่นานก็เสียหายนะฮะเออตรงที่บางคนเครียดนะครับเครียดทุกวันแล้วมีข่าวบางตรงก็ค่าตัวตาช่วยได้ไหมครตัวสติมันจะช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าคือเสียของไปแล้วเนี่ยเสียที่ไปแล้วเนี่ยอย่าให้ใจเสียด้วยอืมใช่ไหะ คนเราเนี่ยเวลาเสียของเสียที่ไปแล้วเนี่ยมักจะปล่อยให้ใจเสียไปด้วยก็คือว่าแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียสองอย่างใช่ไหมแทนที่เราจะเมื่อเราเสียของแล้วเราจะเราจะใช้ปัญญาเพื่อหาทางออกว่าเราจะเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรก็กลับกลายเป็นว่ามาปล่อยให้ความเศร้าวความโศกความเสียใจเนี่ยมันกาะกุ่มจิตใจแล้วก็ทําร้ายตัวเองอแทนที่จะเสียแค่ของ ก็เลยเสียใจและบางทีเสียชีวิตเมื่อสองสมันก่อนก็ได้ข่าว่าผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่สระบุรีเนี่ยแกก็เป็นผู้ใหญบ้านที่ดีมากเลยก็ช่วยลูกบ้านเนี่ยที่ตามท่วงนะช่วยเรื่องการยกย้ายเรื่องข้ามปาอาหารแต่เข้าใจว่าก็คงจะถูกวิจารณ์ถูกต่อว่าด้วยนะแกก็เป็นคนดีเป็นผู้หญิงนะแล้วก็คงจะเสียใจ แล้วก็อยู่ดีๆสามีก็ไปพบว่าเธอเนี่ยแข้งค อ, อนะอยู่บนชั้นสองอคืออันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเป็นความทุกข์ของคนที่ทำความดีแต่บางครั้งเนี่ยเจอแรงกระทุกประแทกเจอความวิจารณ์ถ้าไม่มีสตินะก็จะท้อถอยอและท้อถอยแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึก้มยเตําใจ แต่ถ้าเราเนี่ยมีสติเนี่ยเราก็จะรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันครอบ ง, งาใจส ต, <โ à. S 2> สตินี่ก็เปรี่ยนมันก็ว่าเป็นเป็นยามเฝ้าประตูเมือง<ะ>ยามเฝ้าประตูเมืองเนี่ยถ้าเป็นยามที่ดีเนี่ยก็จะไม่ให้ศัตรูเข้ามาเล็ดรอดเข้ามาในประตูเมืองเข้ามาในเมืองได้แต่ถ้าสติไม่ดีก็เหมือนกับยามที่ปล่อยปะกลั่นเลยปล่อยให้ศัตรูเข้ามาในเมืองศัตรูที่เข้ามาในเมืองก็คือ ความโกรธความท้อแท้ความท้อถอยพู้ง่ายคือความทุกข์ใช่ไหมดังนถ้าถ้าสติไม่ดีเนี่ยความทุกข์ก็จะคลองใจแล้วก็จะก็จะคุ้มใจบางทีก็ถึงกับทําร้ายตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในยามที่เราเจอแรงกระทบกระแทกเนี่ยจำเป็นยิ่งที่เราต้องมีสติตเพราะว่าถ้าไม่มีส ต, มติแล้วเนี่ยเราก็จะเสียทั้งของเสียทั้งใจและอาจจะเสียทั้งชีวิต นะคนในยามปกติเนี่ยสติที่เรามีเนี่ยมันพอที่จะช่วยให้เราเดินำเนิน <ๆ S 1> ชีวิตไปได้อย่างถูกต้องคนก็มักจะบอกว่าเอ๊ะฉันก็มีความสุติอยู่แล้วทําไมฉันต้องมันเจริญสติด้วยอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้สติที่เรามีเนี่ยมันพอจะใช้การได้เฉพาะเวลาที่เรามีชีวิตเป็นปกติ แต่พอเกิดปัญห า, หาเกิดวิกฤตไฟไหม้ย้ำท่วมเศรษฐกิจรล่มละลายเป็นมะเร็งอตรงนี้แหละสติที่มีเนี่ยเอาไม่อยู่ก็เลยกลุ่มอกกลุ่มใจนะบางคนพอรู้เป็นมะเร็งเนี่ยเพียงแค่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับซึมอันนี้เป็นเพราะว่าการที่ไม่มีสติพอที่จะรู้ทันอารอมณ์หรือว่าไม่มีสติ ก็เลยทําให้ใจเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอานาคตคือกังวลกับอานาคตหรือว่าอะไรในอดีตซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ประสบทุกขก์ภพภัยเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องมีสติเพื่อที่จะทําให้จิตเนี่ยไม่ไม่ถลันก็ไปในในปรากรงความทุกข์อันนี้คือเหตุาการณ์เฉพาะหน้าที่พระอาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องของอุทก ภ, ภัยนะฮะหรือแบาไฟไหม้อะไรเหตุาการณเฉพาะหน้าที่ ที่บอกว่าสติในช่วยในแง่ของเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปกติหรือว่าเป็นวิกฤตนะฮะแต่ถ้าไม่วิกฤตอะไรใช้ชีวิตธรรมดาสติที่พวกเรามีจําได้จํำตาสีตาส า, า, าได้่ยมความแม้ได้อันนี้ถือว่าก็โอเคก็ใช้ชีวิตได้ปกติถัดมาอีกการหนึ่งก็คือปัญหาวิกฤตทางการเมื อ, องถูกไหมครับพระอาจารย์ฮะเพราะว่าหนังสืเอเล่มนี้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรที่เป็นความขัดแย้งสี สีเสือ้อสีอะไรในบ้านเราเนี่ยนะฮะในงสืเอเ่นี้จะพูดถึงมากอาจารย์มองว่าตัวสติปัฏฐานเนี่ยจะช่วยด้วยใช่ไหมฮะมันเป็นมันเป็นวิกฤตใช่ไหใช่ตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันมันเป็นวิกฤตนะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือความขัดแยง้งในเวลาในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายระดับนะความขัดแยง้งที่สืบเนื่องจากผลประโยชน์ ความขัดแย้งที่สืบเนื่องกับความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกันไอ้ตรงนี้เนี่ยตมาคิดว่ามันก่อใ้เกิดความเจ็บปวดเราวลึมว่าอาจจะมากกว่าความขัดแย้งเพราะผลประโยชน์คือแบบความขัดแย้งเพื่อ ป, ประโยชน์เแบบนี่ยอาจจะจำกัดอย<า>ูเฉพาะนักการเงินประชานชั้นนำที่เขาสปายฟูลเซฟฟูญซูเซฟอำนาจหรฝันต้องการรักษาอำนาจแต่คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อย แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดความเจ็บปวดราวลึกเนี่ยคือความขัดแย้งเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับครอบครัวระหว่างสามีภรรยาพ่อกับแม่พี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนตรงนี้เนี่ยมันก็น่าคิดมันกน็น่าเสียใจว่าเพียงแค่เราเห็นไม่ตรงกันทาไมเราต้องไปสักรูกันด้วย อ, อะไรทาให้เรา มีความรู้สึกแบบนั้นอัตมามาว่าสติสําคัญตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเพียงแค่คนที่เห็นต่างจากเราเนี่ยเราก็จะมองเขาเป็นศัตรูได้ง่ายเราเห็นแต่ความแตกตา่างจนเรามองข้ามความสิ่งที่เหมือนกัน อ, อัตมาก็พูดอยู่เสมอว่าในคนในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆในวงการเดียวกันเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างละสักสี่ห้าเรื่องความแตกตา่างทางการเมืองก็เป็นอันหนึ่งบางคนอาจจะเชื่อคือรักศิลป์บางคนอาจจะต่อตัอต้งหรักศิลป์อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยเรามีต้อง95อย่างเราจะเชื่อคู่บอลทีมเดียวกันนะเราอาจจะนับถือครูบาจารย์คนเดียวกันเรานับถือุทศาสนาเดียวกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันสิ่งที่เราเหมือนกันนั้มีมากกว่าสิ่งที่เราแตกต่างกันแต่ว่าเป็นข้อเราเนี่ย ไปจดจอเพ่งเลนกับสิ่งที่แตกตา่างเราก็เลยและเราก็มองข้ามสิ่งที่เหมือนกันเราก็เลยมองคนที่คิดเป็นเหมือนเราเป็นศัตรูทีละน้อยทีละน้อยทั้งนั้นที่คนนั้นอาจจะเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นเป็นเพื่อนเราแต่ทไมเพื่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในสมุ ท, ทยเวลานี้นะคือการที่เราเนี่ยไปจดจอเพ่งเลนแต่ความแตกตา่างแต่ถ้ามีสติเนี่ยจะเห็นเลยว่าเออเราจะทะเลาะกันไม เรามเราจะทะเลาะ ก, กันทำไมเราจะทะเลาะ ก, กันเรื่องคนคนเดียวคแล้วเราก็เลือกคบหากันทั้งที่เป็นสามีภรรยากันทั้งที่เป็นญาติเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันอืเนี่ยจะมามองมองตรงนี้นะว่าสติสําคัญคอันนี้เป็นแค่แค่เสี้ยวเดียวนะตอนนี้เนี่ยโอเคเรามีความขัดแย้งกันแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการแก้ความขัดแย้งเนี่ยมันต้องสติวิธี เพราะถ้าเราใช้คำรุนแรงแล้วเนี่ยมันจะไม่จบไม่สิ้นบางครั้งเนี่ยปัญหามันมีอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาอาจจะรุนแรงก่อความเสียหายมากกว่าตัวปัญหาเองอ เ, อเช่นหนูมันอยู่ในบ้าน<ะ>ใช่ไหะเราลังคานหนูนะเราพยายามดักหนูดักไม่ได้สักทีใช่ไหมสุดท้ายเราโมโห เราลวดหนูเนี่ยมันอยู่ในรูนี้เราก็เอาน้ํามันฉีดเข้าไปแล้วจุดไฟเผาหนูตายไหมตา ย, ตายแต่บ้านเราไหม้ด้วยคือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยบางทีมันมันเลวร้ายกว่าตัวปัญหาเสเองหนูเนี่ยก่อปัญหาไม่เท่าไหร่แต่วิธีการที่เรากําจัดหนูเนี่ยมันกลับทําร้ายต่อความวิดนาทให้กับเราเองเพื่อกับหนูด้วยอันนี้อาจารย์ยกเป็นตัวอย่างที่ใช่ไม่ได้อุปม า, ว, าว่าหนูคือใครใช่คน อาจารย์มากล่าวมาว่าบางทีเนี่ยวิธีการที่เราแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะ ก, ก่อปัญหามากกว่าตัวปัญหาเสียเองถามว่าทําไมาคนเราถึงเลือกใช้วิธีการที่ที่ที่แย่กว่าตัวปัญหาก็เพราะไม่มีสติไม่มีปัญญา อ, อันนี้อาจารมาก็ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างอาจาย์มากยตัวอย่างเช่นมันมีมันมีโจนลักพาโจนจับเด็กไปเรียกข้าไทยแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ใช่ไหมฮ ะ, ะตำรวจทหารลุมล้อมนะเพื่อจะจับโจรเสร็จแล้วก็เพื่อจะต้องการจับโจรให้ได้ก็เลยเอาปืนใหญ่ถล่มเข้าไปเอา m 7 9ถล่มเข้าไปเอาระเบิดถล่มเข้าไปคุค้นะคุ้นนะฮะคุ้มคุ้นถามว่าตัวประกันตายไหมตายแต่ว่าเด็กก็ตายด้วยตัวประกัน โจรก็ตายด้วยตัวประกันก็ตายด้วยใช่ั้ยฮะบ้านก็พังด้วยอันนี้ก็คือคือผลจากการที่ไม่มีสติก็จะทำให้เราใช้วิธีการที่กลายเป็นตัวปัญหาเสียเองนะเพราะนี่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้มากว่าเราอาจจะทำให้ปัญหามันลุกลามมากขึ้นอธิบาาเพื่อตอนนี้เมืองไทยเนี่ยมันเราเราเลือกใช้วิธีการที่ ก่อปัญหามากกับตัวปัญหาซึ่งมันก็เลยทําให้ลุกลามมากขึ้นแล้วนั่นสติสําคัญมากใ น, ในกรณีแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยคนกลุ่มคนที่ขาดสติมากที่สุดคือกลุ่มไหนฮะผู้ปกครองอนักการเมืองประชาชนหรือหรือกลุ่มไหนฮะสามารถเป็นเป็นหมดนะเป็นกันทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความโกรธความเกลียดและความกลัว แค่ระบาดไปทั่วทุกทั่วทุกวงการทั่วทุกระตับความโกรธความเกลียดความกลัวทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ที่เลวร้ายได้ที่ทําให้เราต้องทำร้ายกันเองอาจารย์บองว่าโกรธเกลียดกลัวสามตัวนี้คือตัวที่ทํำลายสติเลยมันจะต้องขาดสติมันก็เลยความกลัวความเกลียดความเกลียดความโกรธก็เลยพร่อลนำใจ แล้วมันทำไม่ไม่ไม่มีสติมากขึ้นอลืมตัวคือพอมีสติทุกทมีโปรธไม่มีแน่มันมีแต่ว่ามันมันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้คือคนมีสติไม่ได้แปลว่าไม่โกรธนะแต่ว่าเมื่อมีความโกรธก็เห็นความโกรธแต่ว่าไม่ทําตามความโกรธใช่ไหมฮะคือคนที่เราก็เป็นบุติชนเพราะฉะนั้นเนีก็ยัมีความโกรธความเกลียดความกลัวแต่ว่าถ้าเรารู้ทันความโกรธความเกลียดความกลัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะคร่อบงำใจ มันก็เราเห็นมันแต่ว่ามันทําอะไรเราไม่ได้อืมครับเราจะทํำยังไงอาจารย์ที่พอโกรธปุ๊บแล้วสติมา ท, ทันทีส่วนใหญ่ผมไม่โกรธแล้วขอระบายความโกรธหรือเกลียดแล้วก็ขอเกลียดสุดๆอะไรอย่างนะะี้นะฮะสติมันจะมา ท, ทันทีเมื่อไหร่อะเรามันจะเป็นเหมือนรถเกี่ยวโโ อ, ออโต้อเมติกไหย ม, มีพอโกรธปุ๊บสติมาปั๊บนิ่งเงียบสงบยิ้มอะไรอย่างนะะี้ยะฮะจะทำยังไงที่จะเป็นแบบแนั้นได้ มันยากนะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าปล่อยให้ความโกรธครองใจแล้วเนี่ยจะมีสติเองเนี่ยยากแต่ถ้าเกิดว่ามีมีคนที่ช่วยเกือนสตินะฮะหรือว่าเกิดความที่น้าขึ้นมาแล้วได้สติอย่างเช่นพระเจ้ า, จ า, าโสมเนี่ยพรนะเจ้ า, จ า, าโสม น, นี่ก็เคยเป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจแล้วก็เอาชนะขยายดินแดนไปทั่ว แล้วก็เพิมเริม ใ, <ช>ในอำนาจแต่แล้ววันนึงเนี่ยเห็นซากศพที่ของผู้คนที่ตายเกลื่อนเลยก็เกิดสลดสังเวชตรงนี้แหละที่ทำให้ได้สติขึ้นมา<ช>แล้วก็เพินมาได้รู้จักกับพุทธศาสนาก็เลยหันมาสมาธิพุทธศาสนาแล้วก็เลิกเลิกที่จะใช้กำลังมุ่งชนะด้วยธรรมะเรียกว่าธรรมะพิชัยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยนี่คือวิธีการหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพราะมีคนมาเตือนมีคนมามีคนมามีคนมามาพูดให้ให้ให้รู้สึกตัวอาา่าแต่ว่ามีตัวมีตยอย่างนึงนะอันนี้อาจจะลดระดับมาสู่ระดับชีวิตประจาวันไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองมีคนนึงเนี่ยแกก็ไปรับลูกที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพซึ่งมี เ, <ะ>เวลา เวลายเย็นๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถขณะที่คนอื่นเนี่ยนะก็พยายามที่จะคือนรถติดอะ่ะตรงบริเวณโรงเรีย น, ยนแต่ก็เข้าอีกทางนึงซึ่งเป็นทางที่ก็ห้ามเข้าเพื่อที่จะได้ไปหาที่จอดรถไวๆแล้วก็สุดท้ายก็ได้ที่จอดรถสุดท้าย พอได้ที่จอดรถเนี่ยคนที่เกี่ยวจะได้ที่จอดรถคนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจอก็ลุกมาตอว่าออกจากรถมาตอว่าคนที่ซิกแซกก็ไม่พอใจที่ถูกต่อว่าเฮลียจะเป็นปนายพล น, นะพอมาถูกต่อว่าช่วงนี้ก็โกรธแล้ว ก, ก็ถามว่าลุกไหมว่าเป็นใครอีกคนึก็บอกว่าผมไม่สนใจคุณเป็นใครแต่ว่าคุณทำไม่ถูก ใช่ไหมคน น, มม น, นั้นก็บอกผมว่าในรถยังมีปืนก็เลยคว้าปืนออกมาแล้วก็เดินเดินตามผู้ชายคนนั้นที่ต่อว่าปืนหะมายจะเข้าไปยิงเผลอตรงนั้นเนี่ยโชคดีมีนักงานขับรถของโรงเรียนอยู่แกก็เป็นคนที่มีหวัยิบปฏิภาณแกก็เข้าไปห้ามแต่วิธีการห้ามของแกนเนี่ยมีศิล ป, ปะนะเพราะว่าถ้าห้ามไม่เป็นเนี่ยไอ้คนห้ามน่ยตายได้ใช่ไหม แต่ก็เข้าไปเข้าไปจับมือแล้วก็ถามว่าคุณพี่คุณพี่มารับลูกใช่ไหมครับพอพูดเช่นนี้เนี่ยนายฐ<ด>านคนนั้นเนี่ยได้สติเลยใช่ไหมพอได้สติไปทำงานก็เลยเอาปืนไปเก็บคือพอคิดถึงลูกขึ้นมาเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาว่าโอ้แฉันไปยินเขาเนี่ยลูกฉันแย่แน่แน่เลยใช่ไห ม, นนนนมเนี่ยคนเราเนี่มันคือมารับลูกเนี่ยแต่เราลืมตัวไปแทนที่จะไปรับลูกนี่ จะไปผ่านตันะอันนี้เรียกว่าลืมตัวค่ะแล้วพอลืมตัวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นได้แล้วก็สุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อธิบายว่าบางทีการที่คนเรโกรธมากๆเนี่ยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันหลุดไหมมั้ยมันหลุจาควาโกรธได้แต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยจะมีสติเองเนี่ยยากมันต้องมีเหตุปัจจัยจากภายนอกเนี่ยมาช่วยเตือนใช่ไหมแต่ถ้าเตือนไม่เป็นนี่ก็ความโกรธกับ เพิ่มมากขึ้นนเพราะว่าตัวตนมันมากขึ้นะฮะใช่ใชฉ น, น, นฉันเป็นในคนอยู่นี่แกเป็นใครเหรอไม่รู้ว่าฉันเป็นใครมาด่านในคนได้ยังไงใช่ไหมฮะตัวตนมันเยอะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์นะความจริงต้องต้องลดเรื่องของตัวตนเรื่องอะไรนะฮะสำคัญมากเพรา ะ, าะ ถ, าถ้าเราถ้าเราปล่อยให้ตัวตนมั น, มนใหญ่ครับอกครับใจเนี่ยมันไม่ใช่มีความสุขนะมันมีความทุกข์เพราะว่าอะไรมากระทบ อะไรที่ทผิดหูติดตาก็จะโกรธได้แล้วคนธรรมดาที่ตัวตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ะนะหรือว่าจะไปไปรับอาหารมีคนมาเสิร์ฟอาหารชา้าเขาก็ไม่ทุกข์แต่คนที่เป็นตัวตนใหญ่เนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารช้านี่โกรธนะเบียดเออแล้วก็บางทีก็ไปเรียกเบียดการมาตอว่าว่ารู้ไหมพวกป็นไทยซึ่งมันทุกข์เบการก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเมืองไทย แต่ว่าผมก็เสิร์ฟอาหารตามตามคือิวเวลาไปไหนคนไม่ไม่ไม่ตราไม่คอร์ไม่ไม่ไม่ไหวก็โกรดครับ้ธถ้ามีตัวตนใหญ่เนี่ยมันมันทุกข์ง่ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราถ้าอยากจะอยากจะทุกน้อยสุขง่ายเนี่ยก็ต้องลดตัวตนรู้เท่าทันตัวตนที่มันใหญ่ครับอกคับใจแล้วก็พยายามที่จะหัวเราย่อมือบ้างมีนักเขียนคนหึงน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะครั่อ เป็นคนรุ่นใหม่เป็นผู้หญิงแล้วก็มี ม, ม, มีแฟนติดตามนานเขียนับเธอประจาแต่เธอเนี่ก็เป็นคนที่น่าสนใจเธอสนใจเรืวิทศาสตร์ชนบเธอก็มีวิธีการลดกดตนนะคือปีนึงเนี่ยเธอจะหาโอกาสไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านของเพื่อน<ฆ>นะคือพนักงานเสิร์ฟเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยไม่ก็จะอยู่ในสถานะที่ต่ปต้อยครับ ก็ลองมองว่าพนัก ง, งานเสิร์ฟนี่เป็นพวกที่ไม่มีความรู้นะอเธอก็ปเป็นพนัก ง, งานโซ่เพื่ออะไรเพื่อไปฝึกขัดเกลาตัวตนลดความเป็น ต, ปตัวตนเจอคนต่อว่าเจออะไรเธอก็ได้ดูใจตัวอือันนี้เป็นวิธีการที่ช่วยลดหรือฝึกขัดขัดเกลาตัว ต, วตนอแล้วก็เธอก็เป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะนอแม้ชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นยุทธนี่ก็ทําอะไรเธอไม่ค่อยได้เพราะว่า พอชื่อเสียงมันทำให้ใจฟูขึ้นมาเนี่ยเธอก็มีวิธีการที่จะไปไปลดตัวตนได้เนี่ยคือเราต้องมีกิจกรรมหรือวิธีการแบบนี้บ้างเพื่อที่ทําให้ไอ้ตัวตนมันเล็กลงหรือเวลาเราเจอคําตําหนิคาวิจาร์เนี่ยถ้าตอนี่มีตัวตนใหญ่ๆนี่ก็จะทุกง่ายแต่ถ้าเรามาว่าคําตําหนิเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลาตัวตนของเราช่วยทําให้เราเนี่ยอน้อนถ่อมตนมากขึ้น ก็จะดีครับในทางพพุทธศาสนากังจากหนังสือเล่มนี้แหละนะฮะที่พระอาจารย์เขียนนี่เองครับเนื่องจากว่าเวลาของเราใกล้จะหมดสติมั่นค่าแห่งสันติอาจารย์มองว่าสติเนี่ยจะทําให้สังคมไทยเนี่ยมีความสมุบสุขได้ได้จริงไหมในช่วงเวลาเนีย่ยฮะไม่เกินหปีครับจากนี้ไปอาจารย์มองเห็นแสงสว่างปลายวงก้อนไหมฮะสติเป็นจุดเริ่มต้นคร่นะคือ เราก็ต้องดูว่าไอ้ที่บ้านเมืองเราวุ่นวายเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการขัดความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองเท่านั้นแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมมีความเหลื่อมล้ําในสังคมมีความรังเกียจเหยียดฉันะระหว่างคนรวยกัคนจนระหว่างคนเมืองคนชนบทไอ้ตรงนี้เนี่ยสตินเนี่ยอย่างเดียวมันไม่ช่วยครับแต่ว่ามันไม่ช่วยในแง่ที่ว่า ถ้ม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นอ ม, มันก็จะมีปัญหาทารานะรศนะครรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสติป่าๆไม่ได้จัดจังหวะเ่ชูป้ายเอาหัวหลงนั่นเังนะก็ลองคุยเรื่องสติอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยตัวมาช่วยว ม, มันช่วยให้เราตั้งหลักได้แล้วก็มาไกรกรองว่าที่ ทะลาะ ก, กันจนกระทั่ทงฆ่ากันจนระทั่งมีคนเสียเยชีวิตเป็นจํานวนมากเนี่ยนองเลือนเนี่ยสติเชื่อว่าเราใก่้ตัวว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะมีอคติและเราก็จะมองว่าไอ้ที่ประทุ้งนันเนี่ยเป็นเพราะถูกจ้างมาเป็นเพราะว่า เ, เป็นเพราะถูกหลอกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการชุมจบแล้วก็จบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เราต้องกลับมาไขค้นว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็หาทางแก้ไขนีสติอาจารย์ที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างอย่างตรงจุดอย่างถึงรากถึงโคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดมีประเด็นว่าคนไทยเรามันต้องถึงเวลาต้องปฏิรูปแล้วความจริงก็มีหลายหัวข้อนะครับในหนังสือของอาจารย์เดไปหาอ่านนะครับ นอกเนืาจากเรื่องสติที่พระอาจารย์เน้นหนักที่เราคุยกันวันนี้แล้วใ น, นีนะเรื่องของความเมตตาก็มีในสื่อเล่น น, นีนนด้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องของ อ, อันตรายที่ไม่ได้มาจากศัตรูนะครับเราจะนึกว่าศัตรูเท่านั้นที่จะทำให้เกิดอันตรายแต่ความจริงมันไม่ใช่มีอันตรายบางชนิดที่ไม่ได้มาจากศัตรูแต่มาจากไหนนะฮะอาจารย์มาจากการที่เรา ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจัดการกับศัตรูก็มามาจากตัวเราเนี่ยคือไม่มีสติเราก็เลยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องจัดการศัตรูเสร็จแล้วก็เลยส่งผลเสียมที่ตัวเราอืตอนนี้ถามครัอาจารย์นอกเรื่องนิดนึงครับว่ามาาัคคาหรือว่ามัคค่าได้สองอย่างได้สองอว่ามง<า>ถ้าอ่านแบบบาลีนะจะเป็นมัคาค่ อ, อแต่ว่าถ้าอ่านแบบไทยแล้วก็มักอมมัคเสร็จแล้วก็มกัคค่าก็มีอ แต่ก็มาว่าอ่านถ้าอ่านแบบบาลีก็มันคาเนี่ยมันจะจะดีกว่าค่ะค่ะตกลงว่าอ่านได้สองอย่างเหมือนราชคฤหบดีเลยนะฮะราชคฤหบดีช็บว่าอ่านมันสองอย่างกันนะครับแล้วแต่สะดวกป่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งหายทั้วมก็ก็เป็นเรื่องที่พวกเราหน้าคิดนะครับอีกกันหนึ่งที่เอ่อที่เกิดไว้ตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนเอาหลักสูตรเรียกว่าเทคโนโลยีการปล่อยว่า มาสอน้วนอาจารย์ก็จากย์พอทราบข่าวใช่ไหมอือนะได้ยินนี่มีคนจะเก่งของพระเจ้าแต่ความจริงไม่เทคโนโลยีการปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับทายัางไงครนะัอาจารย์คือวิธีการนึ่งก็คือการมีสติค่ะเวลาเราโกรธเวลาเราโมโหเนี่ยเราแทนที่เราจะไปกดข่มมันเราก็ดูมันพอเห็นมันเห็นความโกรธมันก็จะหลุดจากความโกรธได้งา่ายอนะ การมีสติมาช่วยทำให้จิตเนี่ยโดยจาอกอารมณ์ปรุงแต่งค่ะมันก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึง่งรวมทั้งการปล่อยวางจความคิดด้วยอคือจะจ ะ, จะคิดเอาเนี่ยมันมันปล่อยวางไม่ได้บอกว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธเนี่ยมันอะไรก็โกรธจนกวเราจะเห็นความโกรวแล้วก็ดูมันเฉยเฉยเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันก็จะมันก็จะวางได้อครับว่าไปแล้วพวกเราฟังฟังท่าอาจารย์ท่าอาจารย์พูดก็เหมือนงานครับ ปฏิบัติก็ก็ทําได้งา่ายวันก่อนผมเคยคุยกับพระอาจารย์ที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านพุทธทาสนะฮะเป็นพระอุตรสาวของท่านพุท ธ, ธาทธาสเลยท่านบอกว่าท่านก็เวลาท่านนั่สมาธิเนี่ยกอนก่อนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจะมรณาภาพเนี่ยไม่เคยนั่งสมาธิเลยพอ n ั่งแล้วปรากฏว่าแค่เดียวได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วมันปล่อยวางอันนี้จริงไหมนะอ่าอันนี้ช่วยได้ครับคือ คือใจเราเนี่ยพอเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนเนี่ยมันก็หลุดเช่นเรากำ ล, ลังกำลังปุกออกุกใจเรื่องนี้เนี่ยแต่พอเราพ อ, อไปสนใจสียงเพลงพอมีเพลงมาเราไปสนใจจดจ่ออยู่เพลงเนี่ยมันก็หลุดเองอแต่ว่าพอเพลงหยุดแล้วเนี่ยจิตอาจจะกลับไปคิดเรื่องเดิมอันเนี้ยมันก็วิธีการปล่อยวางแล้ก็ใช้อยู่ประจําแต่ว่าเป็นวิธีการแบบที่มันจะใช้ได้ขอชั่วคราวเช่นฟังเพลงไปเที่ยว ไอตอนไปเชื่อวภาคเนี่ยมันก็วางนะค <circuit. S 2> แต่ว่าพอเลือกเชื่อเสร็จกลับมาคิดใหม่ตรงนี้ถ้าแต่ว่าเราไม่มีไม่มีวิธีการทําสมาธิเจริญสติเนี่ยมันก็จะก็จะวนไปเวีนมาแบบนี้แหละครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเล่าให้ผมฟัเวลาเวลาเราจะหมดแล้วนะครับเขาก็เล่าบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึงเขาเจอปัญหาในชีวิตเสร็จแล้วเขาก็ฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงเพลงอะไรไม่รู้ว่าผงจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วก็ขับรถลงทางหลวนโอ้โหชีวิตมันเศร้า เอาหมดเวลาสะและชีวิตมันเศร้ามากนะฮะเศร้าแล้วก็แบบน้ําตาไหลอะ่ะฟังเพลงนี่น้ําตาไหลอพอวันเดงนทางไปสักสิ้นปีชีวิตกลับมาใหม่ทุกอย่างดีขึ้นหมดฟังเพลงเดียวกันนี่ความสุขมากเลยขับรถลงทางบุญก็มีความสุขทั้งท่านที่เป็นเพลงเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เสียดายนะครับมีเวลาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์น้อยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระอาจารย์ท่านจะไปแจกลายเซ็จนะครับ สำหรับแฟนๆหนังสือของท่านนะครับในช่วงนี้ก็ต้องข อ, เ, อ, อเชิญนะครับคุณเกษรีการจ น, ว น, น, นะวณิาาชย์นะครับกรรมการผู้บริการบริษัทเนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลแอดว์เดเวลเพนต์จำกัดมหาชนนะครับได้เุณาขึ้นถวายของที่ระลึกกับท่าอาจารย์นะครับขอต้อนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเกษรีด้วยครับอันนี้ปรบมเชิญ้ชนะ การทำบริษัทเนชั่นนอินเอร์เน็ตนั่นก็นชันแนจำกัดมหาชนก็เห็นความสัมพันทาของการอ่านมากๆเลยนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งวลใหาเกิดการรักกัน